เธอมีคำถามผ่านพาโลตามมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นคาดคั้นจะออกคำตอบให้ได้ว่าทำไมฉันต้องคิดไปนิพพานอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดหรอกเรอฉันตอบว่าเปรียบเหมือนคนกำลังจะจมน้ำพอใครมาบอกวิธีขึ้นเรือก็ต้องเรียบขึ้นเรือพอใครมาบอกทิศทางและวิธีพายเรือเข้าฝั่งก็ต้องรีบแล่นไปหาฝั่ง